ทำนะฟังนะหน้าตาจะพูดให้ฟังตั้งใจฟังนะหน้าตาก็ตั้งใจพูดฟังแล้วอย่าไปจำเอาให้เอาไปทำดูพูดให้ทำไม่ใช่พูดให้จำ สิ่งที่เราทำอยู่นี้คือกรรมาฐานกรรมาฐานไม่ต้องใช้สมองเหตุผลจะทำลงไปเลยโอกายทำเอาใจทำมีสติเอากายไปต่อโอสติเอาจิตใจไปต่อโอสติให้สติอยู่กับกายให้สติอยู่กับใจ วิธีใดที่มันจะลูกกายหาเรื่องที่ให้มันลูกวิธีใดที่มันจะลูกใจเวลามันหลงมันชิดให้ลูกอย่าปล่อยให้มันหลงมันชิดมันสุกมันทุกข์ปีๆกายมันมีสุกกายมีทุกข์ใจก็มีสุกใจก็มีทุกข์อย่าให้สุกเป็นสุกใยทุกข์เป็นทุกข์ ให้เป็นความรู้สักตัวหัดให้เป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับกากับใจหัดให้เป็นมันหลงก็รู้ไม่ใช่หลงเป็นหลงมันผิดก็รู้ไม่ใช่ผิดเป็นผิดมันถูกก็รู้ไม่ใช่ถูกเป็นผิดถูกมีแต่ความรู้ก็ไปรู้ไปเห็นจนมันจำนิดจำนาน ตาว่าที่รู้เนี่ยไม่เข้าไปเป็นมีแต่เห็นเนี่ยเป็นกระแสแห่งมรรคผลนิพพานนะเหมือนกับเราเดินทางมันต้องเห็นกระแสเห็นทิศทางมันจึงจะไปถูกพระพเจ้าสนไม่อยู่โดยโชค ญาติโยมพิกษุปพิจุณีบาวาศบวสิกาเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพาาระอรหันต์อยู่โดยชอบอยู่ยังไงจะอยู่แบบมีสติทุกเมือ่อเมื่อมีสติทุกเมือ่องมืจุลาเกิดเจ็บเจ็บตายตามไม่ทัน อยู่ด้ชอบอยู่แบบไหยเห็นกายสัาวากายไม่ใช่สัตว์อุคน์ตวตนเราเขาอย่าให้กายเป็นตัวเป็นตนอะไรที่เกิดจากกายความร้อนความหนาวความเหนียวความปวดความเมื่อยทุกทุกทุกๆุที่เกิดกับกายนั่นสักว่ากายไม่ใช่ตน ร้อนคือเราหนาวคือเราหิวคือเราปวดคือเราไม่ไดู้่โดยชอบไอด้จุโดยชอบเห็นอย่าเป็นเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้อยู่เราเคยอยู่มามัานสุขก็อยู่กับความสุขมันทุกข์ก็อยู่กับความทุกข์ หมดนี้เราเห็นเราดูสุข ก, ก็ดูเห็นดวงมสุทุกข์ก็ดูเห็นความทุกข์เมื่อเห็นก็ไม่เข้าไปเป็นกับสุ ก, กับทุกข์นั่นเรียกว่าสติเป็นกระฉลีแห่งพระในพานเดินไปตรงนี้ถ้าเห็นไม่เป็นเนี่ยมันก็ง่ายถ้าเป็นละบันยากเหมือนกับทางโลกทางตัน มันสุกเป็นผู้สุกมันตันเป็นทางตันเป็นทางสุดตรงเหมือนกับขึ้นหน้าผาชนหน้าผาขึ้นไว้หน้น้าเป็นทางอ่อนแอเป็นทางที่ไปไม่ถึงเช่นสุขเป็นสุก ว่าเรียกว่าทางตันเกีกภาษาพูะพจารเจ้าว่ากรรมทุกามมาข์กนิการโยกสุขให้เป็นสุขทุกข์ให้เป็นทุกข์อดแน่เกินไปไปไม่ถึงไหนถ้าเห็นมันละมันเข้มแข็งเรียกว่าเป็นเป็น มัตเขมมาปฏิปทาเป็นการที่เป็นกลางดูนี่ม่เป็นกลางเ ห, เ, หล เ, เห็นมันเป็นกลางดูมันเห็นเห็นแล้วไม่เป็นนี่มันเป็นกลางไม่บวกไม่ลบอยู่ตรงกลางถ้าเป็นแล้วไม่ได้กลางถ้าเป็นสุข ก, ก็บวกถ้าเป็นทุกข์ก็ลบ เป็นอารมณ์ของกิจใจไม่ใช่ใจภาษาพระเจ้าสอนให้ถอนความพอใจให้ถอนของมไม่พอใจออกมามีสติความพอใจความไม่พอใ จ, ออใ จ, มมอใจเป็นรดของโลกโลกมันเป็นรดชาติแบบนั้นสุขก็เป็นรถของโลกทุกข์ก็เป็นรดของโล ก, ก, ก, โล อ, โลกอยู่หน่วโลกต้องเห็นอย่าเป็น ถ้าทําเป็นถ้าอยู่เป็นก็ได้บรรลุธรรมได้ง่ายถ้าอยู่ไม่เป็นก็บรรลุธรรมได้ยากไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเนี่ว่าอยู่โดยโชคอะไรเกิดขึ้นกับความกับใจไม่เข้าไปเป็นมีแต่เห็นแต่ถึงจะจะจะเข้าถึงภาวะที่เห็นต้องมีผู้ มีทว่าที่ดูหัดให้มันเป็นก่อนเหมือนเราเลือนตามันจึจะเห็นมีตามันจะจะเห็นรวมรู้สึกตัวหนึ่งเป็นตาภายในต้องมีเชียก่อนต้องเลือนไว้เช่ก่อนหัดดูไปก่อนหัดดูที่แรกก็ดูกายนี่ไม่เห็นกายถ้าเห็นเราก็อยาเป็นเนี่ย เห็นสุขเหนทุกข์ด้วยเห็นเอนาอย่าให้สุขเป็นสุขอย่างทุกข์เป็นทุกข์นัวเห็นสุขทุกข์ไม่ช่ตัวช่อตนสักแต่ว่าเฉยๆเห็นจิตที่มันคิดอย่าหลงไปเตียบความคิดคิดอะไรก็หลงไปกับความคิดความคิดไปให้สุขความคิดไาให้ทุกข์มันไม่ใช่ให้เห็นสักแต่ว่า มันคิดไม่ได้ตั้งใจมาคิดขึ้นมาอย่าให้มันหอบผิวโรไปคิดจึงไหนก็เป็นไปตามความคิดคิดสุกขสก็สุขคิดทุกข์ก็ทุกข์ไม่ใช่ให้เห็นนี่เรียกว่ากเสกอแห่งพระานเห็นธรรมสิ่งที่มาครอบความจิต มันมีอะไรหลายอย่างความงงเหงาหอยนอนความลงเลยสงสยัยความคิดผ่้ซ่านเหตุทาผลเอาความชอบเอาความไม่ชอบของตัวเองตัดสินอจดิตนิสัยของตัวเองความเห็นของเราที่เกิดจากนิสัย ที่ว่าจริตนิสัยไม่ใช่เป็นของที่ถูกต้องเสมอไปนิสัยต้องหัดกับพุทธเจ้าถ้าจะคิดก็ถึงคิดถึงพุทธานุสติบุคคลตัวอย่างคือพุทธเจ้าพงค์ทำยังไงจึงเป็นรพุทธเจ้ามีอยู่ในโลก ทำอย่างไรจรึงทำให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็มาจับรอยในวันเพ็ญเดือนหกก่อนปรนิธานสี่สิบห้าปีนั่นพระองค์ทำอาไรกานคู่เขียนเข้าออ ก, การคู่เขียนเข้าออ ก, การเหยียดแขนออกม่สติทำตรงนี้ก็เดินจงกลม <c oughs> มีสติ ไม่ใช่ไปอ่านตำลับตำลาที่ไหนไม่ต้องไปใช้หวัวคิดเหตุผลรวมรู้เอาการกระทำ้าการคู่ฉันเลกมีความรู้สึกตัวอ่านเหย่อเฉนออกมีความรู้สึกตัวเมือม่อหมนหลงไปทางอื่นก็มาอยู่นี่ที่ตั้งที่ว่าฐาน มีฐานที่ตั้งมีการกระทำให้ลูกอยู่บ่อยๆเรียกว่ากรรมกรรมฐานที่ตั้งหานการกระทำมันศักดิ์สิทธิ์การกระทำแบบนี้มันศักดิ์สิทธิ์มันสุ ก, ก็รู้ได้ทุกคนมันทุกขก็รู้ทำได้ทุกคนเป็นสากล มันพอใจมันไม่พอใจรู้ได้ทุกคนอย่าให้ความพอใจความไม่พอใจเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจมาเป็นความรู้ทำได้ทุกคนหัดให้เป็นอันหัดให้เป็นอย่างนี้เราต้องสอนตัวเราไม่มีใครสอนเราได้การสอนให้รู้มีทั่วไปท่านทั้งหลายมีความรู้กันทุกคนแล้วรู้ดีรู้ชั่วมาแล้ว อะไรที่มไม่ดีรู้อะไรที่มันดีก็รู้แต่ความไม่ดีมีความรู้แต่มันทำไม่เป็นมันก็ยังไม่มีประโยชน์ยิ่งความโกรธไม่ดีเรายังโกรธอยู่รู้ว่าความทุกข์ไม่ดีเรายังทุกข์อยู่หัดรู้ไม่ต้องเราความรู้มามาขวางกันให้หัดลงไป อารมณ์ ม, มาควอบขวางจิตอันเชิดกลัวหม่หอนอนเกิดขึ้นไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่จิตความสุกไม่ใช่จิตความทุกข์ไม่ใช่จิตความรักความชังไม่ใช่จิตมันเป็นอารมณ์เราต้อนรับมันมามาเคยจรมาพักที่จิตของเราวางคนไปรจริตนิสยัยลาค้าจริตปุงแต่ง โตจเจริญร้อยการอะไรก็เอาความโกรธออกหน้าโมหะเจริญหลงเอาความหลงออกหน้าไม่หลงก็ซื้อหาความหลงมาให้กินเหล้าโมยาทเที่ยวเตีเร่ร่อนหาสิ่งที่ย่องใจให้หลงให้กล้าลกินเหล้าหมันก็น้าด้านไม่อายก็ชอบควงหลงไม่ใช่เจริญไม่ใช่จิต ใ, ใจของเรา อ น, นั่นมันเป็นโมหะจริตเรจึงมาเพกขัดใหม่หัดนิดสัยใหม่มีสติเป็นโค้ชเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของจิตใจจิตใ จ, จมีเจ้าของกายมีเจ้าของมล้วก็ไม่เถื่อน การปฏิบัติธรรมคือมีเจ้าของดูแลดูแลกายดูแลใจคือมีสตินั่นและสติเป็นเจ้าของดูแลกายดูแลใจตลนใจนี่จะปล่อยไม่คิดได้ทุกอย่างอาจจะไม่ถูกต้องบางทีความคิดไม่ตั้งใจมันชิดขึ้นมาเองนรานมสอนมันความคิดที่ตั้งใจมีไม่มาก แต่เวลาเรามาฝึกกรรมฐานไม่ควรตั้งใจคิดเรื่องใดเอาไว้ก่อนเจดวันนี้ให้มีสติอย่างเดียวการเดินอาไว้ก่อนวิธีไหนที่มีสติอยู่กับกายไม่หาเรื่องให้หาการประกอบขึ้นน่าได้วิธีไหนที่มีสติอยู่กับจิตใจ หาโอกาสให้ได้อย่าปล่อยให้มันหลงผีผีมันทุกผีผีมันสุกผีผให้มันสุกสุกให้มันทุกมันทุกมันก็ไม่ได้สอนมันจะคิดไปไหนก็คิดได้ไม่ใช่สอนมันแล้วก็รู้มันถ้ามันหลงก็รู้เรามันสุกมันทุก็รู้ พอมันคิดไปก็รู้มันไม่ไปได้ถ้าความรู้สึกตัวเนี่ยมันถ้ามีอยู่ในความคิดมันก็ไปไม่ได้มันอายมันโกรธก็โกรธไม่ได้เพราะมีสติมันอายถ้าขืนโกรธก็เป็นคารคงขืนมันทาไม่ลงไ ม, ง <c oughs> มลงไม่ถูกต้องความหลงไม่ถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้อง ตัวมรู้สึกตัวมันถูกต้องกลัวสัมผัดดูแล้วหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วอาการสัมผัสที่มันเป็นอย่างไงผู้ที่สัมผัสต่อตัวเองไม่ต้องไปถามใครระหว่างมันหลงระหว่างมันรู้อะไรมันถูกต้องอะไรไปเป็นธรรมนี่คือของจริงไม่ต้องไปเชื่อใคร ใม้มีคำถามโดกสัจธรรมอ่ะมีแต่คำตอบเราต้องตอบเวกเองถ้าคนอื่นตอบให้ไม่ถูกในชีวิตเราของเราทั้งหมดเนี่ยจีที่มีปัญหาเกิดกับกใจสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดกับใจ <c oughs> <c oughs> มันก็คอแห้งนะำใจ่อย <c oughs> ใจ อ, อยมันตายอัม <c oughs> ลาไมนะ่ค่อยมี เราจึงสอนมันการสอนตัวเองมันประสบการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่คิดหามันเกิดขึ้นก็เห็นมันเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีบทเรียนที่ดีเขียนหลงเป็นรูกนประสบการณ์ที่ดี เปลี่ยนทุกเป็นรู้เนี่ยประสบการณ์ที่ดีอะไรเปลี่ยนมาเป็นรู้ประสบการณ์ที่ดีที่แรกก็เปลี่ยนมันก็ว่ามันคิดไปโน่นเรารู้สึกตัวมันก็ดึงขึ้นมาต่อไปมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันจะเป็นไปเองมันจะเป็นแตาไม่เหมือนเป็นไม่ใช่ทํำไมมันรู้เมื่อเหมือนเป็นมันก็ไม่ต้องเรียนรู้มันเป็นแล้ว เวลามันหลมมันก็รู้อยู่นั่นไม่ต้องมาพลิกมือก็ได้เวลามันทุกข์มันก็รู้อยู่เวลามันโกรธมันก็รู้อยู่อะไรที่มันเกิดปัญหากับกายใจรู้ทั้งหมดรู้โลกมีสติเป็นหน้าโลกไม่ใช่สติเหมือนแสงไฟฉายสติเป็นหน้าโลกเหมือนแสงเดีออ่ยว ผู้มีสติเปน็นหน้าลอบเหมือนพระขี่นาโศกผู้มีติปเป็นวินยัยพระขี่นาโศกคือพระอรหัน <c oughs> นีจ้จิตเป็นนาลอบคือพระอรหันใครก็ตามถ้ามีสติเป็นนาลอบถือว่าอารหันได้ทวิเจ้าตรัสจากนั้นโอชุงก็ยังปริมุขขังจติงอุปตะเปตวะ ผู้มีสติเปน็นาลอกเหมือนพระขีนาศกผู้มีสติเปไน็นวไนมันมันก็มันก็ครบทั้งหมดหรอมีสติก็รับความชั่วแล้วมีสติก็ทำความดีแล้วมีสติจิตก็บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่จะไปอดไปกั้นไม่ได้ อ, อดทน โตจะอดเอาไว้ทนเอาไว้ไม่ใช่ไกอดเลยเพราะมันไม่ถูกต้องขนหัวลูกจะโกดูดลองดูก็ไม่ได้มันขมขืนทำไม่ลงเพราะมีชติจึงไม่ต้องไปอดไปทนมันก็บีกไปลีกไปลีกไปลีกไปแล้ว ก, ก, ก็เหนือนการเกิดเจเจ็บตายได้ เมอมเห็นตั้งแต่กายสัวาวะกายเวศนาสภาวะเวทนาจิตสักวะจิตธรรมสักวะธรรมก็แยกไปแล้วคนละทางแล้วก็จะเห็นที่สุดก็นูนละ่ะเหมือนการเกิดเจ็บเจ็บตายนนบุญเจ้าทำอย่างนี้ใคร ก, ก็มีปัญหาอย่างนี้หัว อ, อกเดียวกัน ไม่ใช่ใครที่ไหนถ้าพูดถึงสภาวธรรมเหมือนกันจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักปวดเป็นฆละวาสเพศใดไวใดเหมือนกันหมดสติอยู่กับเราทุก ว, วันนี้กับสติอยู่กับผู้ท 90, 98, 98ีิย่าสองวันห้าร้อยเก้าสิบดแปด้าสิบแปดปีนี่ยอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่าง ความโกรธความโรคความหลงก็อย่างเดียวกันแต่โกรธแต่โรคแต่หลงคนละวาละความสุขความทุกข์ก็เดียวกันแต่คนละวาละความสุขของเราอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นเช่นสุบุรีเรามีความสุขแต่คนอื่นเขาเห็ น, นเลยเติมเล่าละวามีความสุข เป็นั่งอยู่คนไม่เดิมเล้าเขาก็เหม็นนี่ค่ะความสุขของเราอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นนั้นเป็นสมมติบัญญัติเอาไม่ใช่เป็นปรามาตาจัจรโคมโกรธเป็นสมมติบัญญตัติความสุขความทุกข์เป็นสมมติบัญญตัติไม่ใช่ปรามาจัจรบัญญัติเราเอง ถ้าบัญญัตินี่ต่างกันถ้าเป็นปรัมมัดอันเดียวกันความไม่โกรธอันเดียวกันความไม่ทุกข์อันเดียวกันตัวมไม่โกรธ เ, เป็นปรัตมัความโกรธเป็นสมมุติความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรัมมัดที่ที่เป็นสุขเป็ทุกข์เป็นสมมุติขึ้นมาด้นโลกแล้วจะใครจะบัญญัติเอาต่างกันไป กนหนึ่งสมมุติชอบก็นหนึ่งคนหนึ่งไม่ชอบก็หนะังนั่นเป็นสมมุติวันหยัน ป, ปรมัตดสัจจะมันจะดนันเดียวมันเหนือสมมุติเช่นกินข้าวอิม่มไงอธิบายยังไงคำว่าอิ่มเป็นปรมัตดมันอธิบายไม่ได้อธิบายคามนมีไม่ฟังดูชี้นอยอิ่มมันเป็นยังไงฮะ อิ่มเป็นยังไงอธิบายได้ไหมที่อธิบายก็อิีบได้ไหมอธิบายให้รองตาฟังหรือใช่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเราอิม่มเราจะอดานคำอธิบายไหมต้องไปอิ่มเอาเองคนที่อิม่มห่ะรู้จักเอาเองว่ามันเป็นยังไงนั่นคือปรมาทิ เคลอนอธิบายความเข็มของเกลือเนี่ยมันเป็นยังไงความเค็ม อ, อธิบายมาได้ถ้าคนไหนได้ไปชิมเอาแล้วจึงจะรู้่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ก็มไม่ทุกเป็นอย่างนี้ความทุกเป็นอย่างนี้อธิบายให้ตัวเองฟังตอบได้จะเหลยได้จริงที่เคยหลงไม่หลงต่างเก่าพ้นภาวะเก่าที่เคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์พ้นภาวะเก่า เคยโกรธไม่โกรธพ้นภาวะเก่าเปลี่ยนแปลงไปกต่ป็จิตใจก็ใจสูงก็าเป็นความสาก็สะอาดกก่าเก่าร่วงพ้นภาวะเดิมหรือว่าวิปัชนามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาวัดกันด้วยด้วยด้วยด้วยธรรม ยาเราวัดกันด้วยทำอย่างนี้จอยของพระเป็นปกติอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านกับบ้านของใจคือปกติเป็นแนละ้วนินทาก็เป็นอย่างนี้เอาเฉินเฉินก็เป็นอย่างนี้การได้มาก็เป็นอย่างนี้การเสียไปก็เป็นอย่างนี้ถ้าใจของปุตุชนโอ้เนินทาก็แอบลองโอ้เฉนเฉินก็โผล่ขึ้น ใช่ไหมถ้าใครยังเป่นงนี่ด้วปุตุชนเต็มที่ฟูขึ้นล้อยประเจนปุตตชนเต็มที่เพบลงล้อยประเจนลงให้ปุตุชนเต็มที่ฟูขึ้นล้อยประเจนหัวเลาะปุตุชนเต็มที่นะของพระนะเขาจะเป็นอย่างนี้บ้านของกิจเป็นอย่างนี้ไม่หวั่นไหวปู่เขากูเขาศิด่าทั้งทึบไม่จะเถือนพอ่อหลมฉันได บัณฑิตผู้ฝึกตนแล้วไม่สะเทือนเพราะเนินทาสันเสริญฉันนั่นเอาวัดกันตอนนี้ไม่เอาดุง้งเถอเหลืองห่มผ้าขาวหัวโลวนก้นผมเขาออน้ำใจเนะี่ยสมัยก่อนพระเจ้าจัางเรียกว่าจกว่าเป็นพระอริบุคคอวาจิกาก็เรียกพระอริบุคคลเพราะมันมีใจแบบนี้อย่างพระัญญากกลทันยานะ่ เป็นพระตั้งแต่ยังไม่บวชนะเป็นฤาษีปัญจวีร์ีห้ารูปนะพระเจ้าสอนไอ้ทเพศจะากันแรกมันเป็นเดินแปดนั่นนะเรื่องนี้เรื่องทางเนี่ยทางไม่เป็นไงมันเป็นกลางๆงถ้าเห็นแล้วไม่เป็นนี่เป็นทางผ่านได้ถ้าเป็นแล้วไม่ผ่านนะตอนแล้วเป็นสุขก็ตอนแล้วเป็นทุกข์ก็ตอนแล้ว ทางมันเป็นกลางมันเห็นอย่างนี่ยปันอญญาคนเยอะฟังไปฟังไปอะไรไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั่นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกคนตอบว่ามันเป็นทุกข์เราเคยมีความทุกข์ความไม่เที่ยงมีไหมพัดภาคจากของเลาของชอบชายว่าถหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั่นเป็นทุกข์ นะความไม่เที่ยงเราเคยเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงอนยาควรนจะพูดตอบเลยสิ่งใดไม่เที่ยงยยสิ่งนั้น เ, น, นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนสิ่งไหนไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราบางคนเถี่ยวความทุกข์ว่าเป็นตัวเรามีไหมมีไหมถ้ากูไดโกดตายกูไม่เลือมมีไหม ถ้ากูไ ด, ด้โกรธก็ไม่ด่ามันก็ไม่ยอ ม, ไ, มไหมไหมนั่นว่านึกว่าเราสะไม่ใช่ทัญญากนทยารู้ไปโูกไปรูโอ้เห็นไปเห็นไปจิตใจก็วางลองวางเปลี่ยนแปลงไปเปลีป่ยนไปไปดรวเจ้าก็าแสดงทถององหน้าก็รูนะเหมือนกันโอาใจนัๆๆๆๆๆๆๆๆ่นังไ พีป่ปจัจนาคือเออบางอ้ออืมอื ม, อมครื่อหมายเทียงก็อืมเป็นเช่นนั่นเองผู้ใดเห็นธรรมพ้นเห็นว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทผู้ไดเห็นปฏิจจสมุ ป, ปบาทพ้นนั้นชื่อว่าเห็นธรรมเราวสวดประตรวจไม่ใ่เนาะมันะมเนื่องโดยกันตัวอย่างนี่มีอย่างนี้ก็ยังมี เพราะมันหลงมันจึงมีความสุขความทุกข์ถ้าไม่หลงในความสุขความทุกข์ก็ไม่มเพราะจึงนี้มีจึง อ, อัญญาคนทัญญะอืมเจ้าเทิดไปอืมอหน่อยเออพระเจ้าก็บอกว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยเธ อ, อยู่แล้วหรออัญญารู้แล้วรู้แล้ว คำว่ารู้แล้วไยอันยาอันยาคือรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วามหลงรู้แล้วรู้แล้วามทุกรู้แล้วคำว่ารู้แล้วมันก็แข่งแล้วทำไมแจ้งแล้วแข่งแล้วไม่มืดแล้วอันยาสีประตูกันยกอันยารู้แล้วหนออันยารู้แล้วหนอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว วัวลูก้นมาขอบวชจึงบวชให้ท่านจงเป็นภิกษุมหาเถิรทำไม่ไหนเราก็าวดีแล้วจงประพฤติทับดันเถิดหมายถึงพระหันก่อนยังไม่ได้ปวดนะทําไม่ไหนเรากาวแล้วดีแล้วแล้ผู้ใดยังเป็นปุถุชนอยู่ว่ท่านจงเป็นภิกษุมหาเถิดทําไม่ไหนเราตัดไปดีแล้ว จงกว่าพิรรมให้เป็นที่ชุ่นทึกถูชุ่นทุกเถิดอัญญากนนี้ไม่มีคำว่าให้ชิ่นทุกเถิดหมดทุกแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชหรอท่านจงไว้ผู้พิรรมนั่นเถิดอ่าง น, นี้มันต่างกันเนะยที่ว่าเอหิพิขุอุปสัมปทาการบวชจะไหก่อนเป็นโยงยังไม่ได้บวชเลยใจมันเปลี่ยนแปลงป่าจากหลงเป็นรู จอาทุกข์เป็นรูเจ้าโกรธเป็นรูเปลี่ยนควมให้มันเปิดออกมาหายขึ้นเปลี่ยนท่านปิดเปิดออกมาให้หายขึ้นเนี่ยเปลี่ยนล่ายเป็นดีปฏิบัติคือเปลี่ยนเราจึงขัดเปลี่ยนไปมันหลงรูมันสศกรูเปลี่ยนมันทุกอย่างให้เป็นควารู้ทั้งหมดมันจะไปไหนมันจบเป็นนะ อาจจะมีความหลงบางสุดท้ายนะอาจจะมีความทุกข์างสุดท้ายอาจจะมีความโกรธแบบสุดท้ายได้สักชิดแบบนี้นะไม่ใช่สักชิดเหมืนอนเหาะเหินเดินฟ้าอันนั้นเราไม่เกี่ยวนะไม่ได้สอนแบบนั้นสักชิดคือมันเคยหลงไม่หลงมันเคยโกรธไม่โกรเคยทุกข์ไม่ทุกข์นะฮะรู้จักกายรู้จากกาักใจ อาลมไม่ใช่จิตใจขอบคุณกายกายมันมีอาการความร้อนเป็นอาการของกายขอบคุณความร้อนถ้ากายถ้ารูปมัมีความร้อนมันก็อยู่ไปได้กายมันหิวขอบคุณความหิวที่มันเกิดกับกายมันเป็นความถูกต้องสุดแต่เราไม่รู้แปลวความหิวเป็นทุกข์แปลความร้อนเป็นทุกข์เอาความหนาวเป็นทุกข์ไม่ถูกต้องหรือว่า เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอะไรก็มาไปทุกขทั้งหมดพอใจไม่พอใจตื่ปวดถ้ามื่ยหน่อยนั่งยกมือเป็นานปวดโอ้ยเราปวดไม่ใช่เห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดเห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันเห็นมันมันก็จะเห็นไปต่อนะ เห็นมันเจไม่เป็นผู้เจเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายจะไม่เจ็บผู้ข่มเจ็บจะไม่ตายผู้ข่มตายมันจะเปลี่ยนไปปานน่ะปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เรามาทําพิธีเรตองนะมันเทศยังไงพิสูจน์ลองดูพระเจ้าบอกว่าผู้ใดเจริญสติฐานอย่างต่อเนื่อง ต่เนืองหนึ่งลู่สองลู่สามลู่สี่ลู่ห้าลู่หกลู่เจ็ดลู่แปดลู้าลู่สิบลู่สิบเอ็ดลู่สิบสองลู่สิบสามลู่สิบสี่ลู่สิบห้าลูสิบหลู่สิบเ็ดลู่สิบแปดลูก้าลูยี่สิบลู่สามยี่เ็ดยี่สองลู่ยีสามลูยี่สี่ลูยห้าลู ย6ู่ิบหลกูลกยีิปดลูกยี่สบแปดลูกวิยีดนาทีได้ยี่สิบปดลูกแล้วมันจะมีมากขึ้นอย่างจริงแล้วแล้วทำไมใครจะพิสูจนะ์ลราในขอให้สุโกโตเป็นสนามฝึกดูแลกันได้ไหมหาอาหารกันกินได้ไหมหลังตาจะไปอบลมนักปวด เวียดตามพวกนี้ร้อยหกสิบคนมาจากเวียดนามเขาไม่ให้อยู่เวียดนามเขาไม่ให้นักบวชอยู่ถ้าใครจะอยู่วต้องเป็นโยมตุกศึกไปก่อนนี่พวกนี้ก็เลยหมาเป็นภิกษุ น, นีบ้างขึ้นพระว่างจะมาอยู่ไปอยู่เขาใหญ่นะน้องจ๋าจะไปสอนพวกนี้พวกนี้ จะออกแต่วัดประมาณตีสามเค่งนะเนี่ให้ความเป็นมนุษย์ของเรานะมันเป็นความมนุษย์ของเราไม่ในการเกิดเจ็ เ, เจ็บตายด้วยกันทําไมจะต้องบีบเบียนกันวิธีใดที่เราจะต้องมาช่วยกันนะถ้าหลวงตาชวนเขามาจะให้มาอยู่ไหมฮนะให้ใจนึกสินเสิร์นนะนะอยู่ไหม มารุ้ยหกสิบคนนะเอามาสักสิบคนได้ไม <c oughs> อมนี่ยอ น, นั่นเนี่ยมันเป็นไปได้นะเรามาเริ่มต้นจากเราเนี่ยเกิดเจ็เจ็บตายเหมือนกันชีวิตของเราไม่มีใครยกเว่นนะมาช่วยกันเธอพวกเราไปอิจฉาเี่ยนแปลงธรรมมายใครโกรธใครเครืองจุดสะให้เกิดมิตรภาพขึ้นมา เมตตาสงสารกันยิ่งพวเราเป็นเจ้าหนที่สารสุขยิ่งดีใหญ่นะนอนตาโลอดมาได้ก็เพราะพวกเนี่ยจนโลกมาเลงตายไปแล้วบางคนมานะยิ่งไปทำานาที่ช่วยกันโอ้ดีมากครับตอนนอนทอนไนช่วยกันอย่าไปอิจฉาเบียดเบียนกัน อย่าบีบเปลี่ยนตัวเองอย่าบีบเปลี่ยนคนเด็ดขาดที่สุดหนึ่งเราไม่บีบเปลี่ยนตัวเองสองเลิกสองก็หนึ่งไม่บีบเปลี่ยนตัวเองสองไม่บีบเปลี่ยนคนเื่นพอแล้วตอนนี้ก็พอแล้ ว, ลวง่ายๆเท่าท น, น, นี้สันติสุขเกิดขึ้นเลยไหนโลกนะ่ะแล้วจะใครอยาก ต, ตั้งต้นจากไหนคนนั่นหรือคนนี้หรือขี้ดูซิ เราต้องเป็นหนึ่งก่อนจะไม่เหวื่อใคาในโลกนะทำได้เดี๋ยวนี้ก็สงบลงเหยอนคนไทยหกสิบกว่าล้านคนจบทนทีแล้วคนในโลกนี่หกพันกว่าล้านคนจบทนทีแล้วถ้าเรานับนังจากตัวเราเนี่ยมันทำได้นะปฏิบัติได้ให้ผลได้นะเออบางก็มีร้วยประการฉะนี้แต่ต้องอัน